ตอนบรรยายณโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาวันที่19มกราคม2560ตอนที่1นน สมาธิโปรแกรมที่หนึ่งเรายังไม่ใช้เราใช้โปรแกรมหนึ่งกับสองบวกกันเลยวันนี้หนึ่งโปรแกรมที่หนึ่งสมาธิการฟังฟังแต่วันนี้ไม่ต้องหลับตาวันนี้มองใช่ไกับที่สองสมาธิกับการคิดเลยค่ะเอาตาของเรามองที่จอตอนนี้เด็กๆในห้งเรยียนมองบิดงยเด็กๆที่หัวประชุมทุกนมองบิด เม่อฉันพ่อครูเป็นชาบรรยายเด็กๆก็มองทันพ่อครูแล้ววันนี้เราใช้สมาธิโปรแกรมฝึกสมาธิโปรแกรมที่1และโปรแกรมที่สองมิกรวมกันผสมรวมกันเป็นวันนี้ค่ะพร้อมนะคะนักตโดจตรงนิ่พนัง แล้วก็วินจากทุกคนมาถึงกรุงเทพ ก, ก็กับเวลาพิศนาบินแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับมากรุงเทพเที่ยวนี้ก็อยู่ส5หวันคือมีโปรแกรมจัดอบรมที่ศูนย์นวมินเพรางานแรกก็อย า, าพบพวกเราก็วันนี้พ่อครูจะมีสองสามอย่างที่คุยกับพวกเรานะอันดับแรกคือทุกคนเป็นนักเดยน เราถามตัวเองก่อนว่าเรามาเรียนอะไรนะเราเป็นนักเรียนทำไมถึงเรียกว่านักเรียนทุกวันนี้นักโทษนักการเมืองนักส่งผลส่เผลผ น, นักธุรกิจนะเป็นนักต้องหมายถึงอาชีพนะอาชีพใดๆของใช้คำว่านักนำหน้านะคือเก่งในเรื่องนั้น ตอนนี้เรามีอาชีพเป็นนักเรียนโดยอยู่ในวัยกำลังเรียนกำลังศึกษาทีนี้ก็ถามว่าเราเรียนอะไรตอนนี้การศึกษาก็อันดับแรกเขาก็ให้เราเรียนวิชาการเริ่มจากเราเป็นคนไทยเราก็เรียนวิชาภาษาไทยนะเรียนเพื่อให้รู้ภาษาเป้าหมายคือเมื่อรู้ภาษาแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรนะเอามาด่ากันไหม นะอย่างที่พวกปูเคยพูดบางทีพูดไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครนะนักเรียนต้ อ, ตองเข้าใจบางทีไม่ระวังว่าเราเรียนทําไมบางทีเราเรียนภาษาศาสตร์จบถึงป ร, ริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์และปริญญาบัตในวันเดียวกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาถ้าอย่างนี้จำเป็นต้องเรียนไหมไม่ต้องเรียนก็ไปตั้งข้อกันใช่ไหมเห็นไหมอย่างนี้เสียเวลาเรียนทำไมแต่ที่เราต้องเรียนเนี่เราต้องรู้ภาษาเนี่ย เพื่อใช้ภาษาตัวนั้นนมาสร้างสรรค์มาพูดแต่เรื่องมีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นมาสร้างตัวเองสร้างครอบครัวสร้างสังคมสร้างประเทศชาติสร้างโลกไปดีแต่ตอนนี้เขาไปเน้นเก่งเรื่องวิชาการนะประเมินวิชาการกันใครเก่งภาษาได้เก่ยงยกอันดับหนึ่งแต่คุยกันไม่รู้ภาษาแล้วใช้ภาษามาทะเลาะกันใช้ภาษามาโต้ตกันอย่างนั้น เราอย่าเสียเวลาดีนะเราเสียเวลาตลอดชีวิตเราเนี่ยกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะลูกถ้าลูกหลานเนี่ยมีตาทิกนะนะเออเราจะเห็นนะ น, น, นั่งข้างๆเรา เ, เต็มไปหมดนะวิจญาณร่องรอยเนี่ยที่เขารอมาเกิดเป็นมนุษย์นะบุญเขายังไม่ถึงนะกว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งที่ขนแก่ เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยนแก่ได้นะแล้วเข้ามาปฏิบัติทางที่สุดวันที่จะกลับเข้ามาลาพ่อครูพ่อครกูก็ถามว่าลูกบอกพ่อครูหน่อยเรียนไปทําไมเขาก็นั่งคิดว่าเรียนเพื่อจะเอาตัวรอดพ่อครูถามว่าแค่นั้นเหรอเขาบอกใช่หนูไม่เคยทะยานแค่เอาตัวรอดก็พองั้นไม่ต้องเรียนหรอกลูกนะไปเป็นทาสานไปเป็นลิงก็เอารอดไง ลิงมันตัว เ, าเอาลอดเลยไม่ต้องเรียนยากๆก็ต้องมีจ้องนี่ตรงที้ม่ต้องทำงานด้วยมันก็เอารอดแล้วมันลิงรอดมันตีลังกาได้มันมีความสุขมากนะเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ใช่แค่เอาตัวรอดเราต้องเรียนรู้นะเพื่อรู้วิชาการรู้มีความรู้เอาความรู้นั้นนะ่ะไปสร้างประโยชน์ตัวเองให้มีส่วนเกินเพื่อไปช่วยการสร้างสังคมสร้างชาติสร้างโลกใบนี้ ต้องรู้เป้าหมายว่าเรามาเรียนทำไมไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเรียนก็เรียนเรียนเรียนบางคนตั้งใจเรียนเรียนเรียนวิชาการก็เก่งมากแต่สุดท้ายล้วก็ทำอะไรก็ไม่เป็นนะที่จริงแล้วเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยกระทรวงศึกษาก็ตั้งโจทย์ไม่ผิดให้ทุกคนคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแต่พอเรียนไปเรียนมาสอบเดี๋รวยังมาดักหนึ่ง คุยกคุณคูก็มีรเรื่องคุยกับพ่อแม่ไปไม่รู้เรื่องเพราะหลงความเก่งตัวเองเห็นไหมยิ่งเรียนก็ยิ่งพูดไม่เป็นพูดเก่งเฉยเฉยแต่พูดไม่เป็นนะคิดเก่งมากแต่คิดไม่เป็นคิดแต่เรื่องซึ่งไปขัดแย้งกับคนอื่นนะการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้คิดเป็นพูดเป็นทําเป็นนะคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นนะพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ นะพูดแล้วเขารักเราพูดแล้วเข้าใจกันเขาเรียกว่าวินวินนะเราก็ได้เขาก็ได้นั่นแหละต้องพูดแต่ถ้าพูดแล้วทะเลาะกันเนี่ยคนโบราณก็บอกว่านิ่งเฉยตังรึงทองนิ่งๆิ่งดีกว่านะถ้าเราพูดไม่ดีเขาก็เกลียดเราเป็นการสร้างกรรมนะเรียนแล้วให้มันคิดเป็นพูดเป็นแล้วก็ทําได้จริงๆคุยกับพ่อแม่ก็รู้เรื่องทําการบ้านก็รู้เรื่อง มาลงเรียนก็เรียนรู้เรื่องนะทงอะไรก็ทาเป็นไม่ใช่ไปเรียนท่องจำวิชาการอย่างเดียวนะแล้วก็ทําอะไรก็ไม่เป็นเลยอันนี้ขัดหลักการของการศึกษานะแล้วที่สำคัญความรู้ที่ทุกคนต้องเรียนเราไม่สามารถเรียนทุกวิชาได้ช้าไม่พอโตขึ้นเข้ามาหาวิทยาลัยเขาก็ให้เราเลือกคณะอ่าคนนี้จะเป็นนักเรียนศา์ คนนี้เป็นเรียนหมอคนนี้เป็นเศรษฐศษษาสตร์เห็นไหมเรียนวิชาเดียวนะอันนั้นเป็นวิชาชีพส่วนวิชาที่ทุกคนต้องเรียนนะเพราะเราเป็นมนุษย์รประเริดเนี่ยเราต้องมีความรู้นะรู้อะไรรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาคุณคุณโทษ รู้กดแห่งกรรมแล้วก็รู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมเมื่อคนคนหนึ่งมีความรู้รับผิดชอบแล้วเราจะเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรเราก็จะมีความตั้งมั่ น, นมีความใส่ใจมีวิทยาไม่ใช่ว่าสัตธรรท่องจำเรียนไปวันวันห น, น, นึง่งแล้วก็คิดแต่เรื่องอกุศลนะคิดแต่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะพูดแต่เรื่องถัดแยงและทาจริงๆเนี่ย ซักผ้าก็ไม่เป็นทั้งความสอารบ้านก็ไม่ลุกไม่ไม่เป็นหุงข้าวก็ไม่เป็นนะอันนั้นคือเราเข้าใจผิดการศึกษาคือทําให้เราคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นนะเรื่องนี้มองเข้ามาแล้วกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากตอนนี้พ่อปู่ยังห่วงอยู่เด็กๆคนไทยเรามาดูจะไปยังไงนะเร็วๆนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามาสั่งซื้อ มุนยนในเมืองไทยแบบนะประเทศเราเล็กๆ เ, เนี่ยญี่ปุ่นมาสั่งซื้อมุนยนนะมีสถาบันหนึ่งรขบสร้างมุนยนที่นั่งอยู่เฉยๆ เ, เนี่ยมันเดินไม่ได้เนี่ยตัวละแสนบาทเองพูดได้ห้าภาษากว่าเราจะเรียนห้าภาษาเนี่ยเราใช้เวลากี่ปีนะแล้วเราเป็นมนุษย์เรามีอารมณ์ลนุกพอเบื่อมาก็พูดภาษาที่ไม่เพราะนะ เออพอเหนื่อยมากก็ขี้เกียจแต่หุ่นยนต์นี่มันไม่ต้องลาเข้าห้องน้าด้วยมันไม่ต้องกินข้าวด้วยมันซื่อส า, ารน่ามันนั่งเข้ายนต์นั่นแหละเออสพว่าเขาขายของเนี่ยร้านสรรพสินค้าญี่ปุน่นหนึ่งมาสั่งซื้อเมืองไทยเขาเอาไปชุดหนึ่งแล้วเนี่ยได้ผลมากคนชอบมากเราสินค้าไปถามเขาเนี่ยนะถ้าเราพูดภาษาไทยเขาตอบเป็นภาษาไทยเขาบอกนี่ราคาแค่นี้ราคาแค่นั้นมีกี่รุ่นมีกี่ยี่ห้อ นะแล้วเขนั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่อู้งานเขาไม่ต้องนอนด้วยเขาไม่ต้องไปไปลาป่วยนะใครขโมยของพวกบเนี่ยเขามีตาที่เป็นเขาก็ส่งรายงานถ้าเรายังเรียนแบบเก่าไปท่องจำกว่างรู้เป็นหุ่นยนตะ์น่ะลูกต่อไปเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมสมัยใหม่และไอหุ่นยนต์ที่มันเดินได้ในราคาแค่ล้านหนึ่งยังไอตัวแสนนึงไหนะที่ญี่ปุ่นไปใช้เดินนเขาก็คุมละค่าแรงงานเขาแพงนะ ได้ที่มันเดินได้แค่ล้านเดียวเนี่ย น, นี่ดูแลคนแก่คนชราได้พูดภาษามันต่อรู้เรื่องแล้วมันแปลของมาให้เรานะถ้าเรายังเรียนแบบเก่าๆเดี๋ยูุ่กนะต่อไปเราจะไม่มีที่ยืนในโลกใบนี้นะแต่เราเราไม่เรียนก็ไม่ได้นะแต่เรียนในห้องเรียนที่ยังไม่พอนะวิชาการก็เรียนไปวิชาการมันไม่อยู่แต่ที่มันเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อย แต่ถ้าเรามีความรู้เราผิดชอบตัวเองกับสังคมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าสังคมมันเปลี่ยนเราจะฝ่ายเรียนรู้ตอนนี้ไอ้ความรู้ซึ่เป็นข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเรียนก็ได้นะนะอย่างตอนนี้โรงเรียนพวกรูอยู่ที่ชายแดนดูมีสองโรงเรียนนะพารานคอยหนึ่งพารานคอยสองสู์พาราน่อยสองนะี่ะได้ที่สงจากกูก้อยแล้วก็ ด, ดเก็เรเก่งเนะีมีเมตตา เอาโปรแกรมหนึ่งหไปให้สําหรับหนึ่งหแปดสำหรับเด็กในในชายแดนถือว่าพอแล้วยิ่งกว่าพออีกง่ายๆวิชาการนะเพราะเราไม่จะไปแข่งกับไทยนะก็ไม่ใช้กุ้ง ไ, ได้ผลเนี่ยแต่มาพ่อครูพัดเรื่องเดสามคนเป็นมหกปีแรกสองคนก็ไปสอบได้แพทย์แผนไทยเขาสอบแพทย์ได้เลยนะเขาเรียนได้เพราะครูไม่เอาไปเดียแนแพทยแผนไทยนะก็เมื่อกี้เนี่ยไปใช้สมุนไพรไทย เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้ อ, อยาก็าหลังมาเสียดุลการค้านะคือมีคนเด็ก็เตรียมไปที่มหาลัยวุฒิหนึ่งหกแปดช่วยได้เยอะวิชาการแค่นั้นก็ทัวงนี้เราต้องการกกรู้เลยก็เซร์ชเข้าไปนะแต่ทีนี้บางทีเรามาประเมินความจํากันใค้วิชาการเป็นแค่เครื่องมือในการประเมินว่าเราใส่ใจไหมเราเป็นคนรับผิดชอบไหมแต่ไม่ใช่ไปเรียนแค่รู้วิชาการวิชาการมันล้าสมัยอยู่เรื่อย นะโลกมันเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้รับผิดชอบตัวเองกับสังคมมีวินยัยต่อไปโลกเปลี่ยนพุทธโรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรนะเราก็รู้จักคิดนอกกรอบนะ้นองๆทุกคนอาจจะได้ยินคนชื่อบิวเกตตอนนี้เขารวยที่สุดในโลกนะเขารวยที่สุดในโลกเขาไปเรียนมาหาวิทยลัยแค่ปีหนึ่งขึ้นปีสองเาก็ลาออก เขาก็ไปเรียนด้วยตัวเองตอนนี้นี่เขาเขารวยดับหนึ่ของโลกและทุกคนอาจะได้ยินหลายปีก่อนคนชื่อสตีฟจ็อบนะเจ้าของบริษัทแอปเปิลเขาก็เหมือนการเรียนมหาวิทยาลัยแค่ปีนึงเขากา็ลาวเขาบอกค้ามาท่องจาอย่างนี้นี่เขาไม่ได้อะไรเขาก็ไปศึกษาด้วยตัวเองนะเขาเคยพูดคำหนึ่งนะเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ี่ คนอื่นผลิตอาหารที่เรากินก็คนอื่นผลิตเราใช้คณิตสาสของก็คนอื่นพัฒนาขึ้นมาเราเป็นแค่ผู้ตามเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้นะสุดท้ายสตีฟจ็อบเป็นยังไงเขาฝ่ายเรียนรู้ในตัวเขาเองคนตอนนี้เขาก็เป็นมหาเศรษฐีโลกเป็นเจ้าของ a อ p เ e เพราะเขาฝึกจิต เขาฝึกเซนตั้งแต่เด็กๆนะเขากล้าคิดนอกกรอบเมื่อกี้เราเช็คแดนเช็คทำไมเช็คนี่คือเช็คอัพโยมัยคือปลุกให้จิตเราตื่นแล้วก็แดนเซอร์ไซด์นะคือว่าได้ออกกำลังกายด้วยกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขบางท่านไม่เข้าใจเเวลาเรียนยังไม่พอเลยเอามาเช็คเอามาแดานทำไมเสียเวลา เราต้องนะ ก, การให้แค่เด็กๆไปท่องจำท่องจาให้มันเก่งๆเมื่สุดท้ายก็ททำอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายร่างกายก็เสือ่อมโทรงนะเราเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อชีวิตจบออกมาแล้วไปทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อชีวิตอีกไม่ใช่ว่าเอาชีวิตไปทุกกับการเรียนแล้วก็ไปทำงานเอาชีวิตไปทุกกับการทำงานเพื่อสร้างอน า, าคตา น, นเอง น, นะสหรับพวอครูนะ พราะู่สร้างอาณาคุประโยชน์เมกาลูกอยากมีเงินก็เงินเต็เตมบ้านเลยแต่พปูหาความสุขไม่เจอหรือลูกๆทุกคนเนี่ยถ้าใครรู้ว่าตัวความสุขเป็นยังไงยกมือขึ้นนะลูกพปูจะเดินลงไปกากเราแล้วก็ถามว่ามันเป็นยังไงลูกความสุขมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรใครสามารถบอกได้รุ่ว่าดออกมาได้ไหมว่าตัวความสุขมันเป็นยังไง ลองคิดในใจดูนะลูกนะบางทีเราก็ไม่รู้เลยกันคืออะไรแล้วเราก็กำลังแสวงหาความสุขซึ่งเราไม่รู้แล้วเราจะเจอมันไหมเหม็นมทั้งหมดคือเราเคยเราไม่เคยมาเรียนรู้ตัวเองเลยว่าเราเป็นใครเราเป็นอย่างไรเรามาจากไหนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วจบไหมเออตายแล้วไป็นไปไหนแล้วไอ้ความสุขจริงๆเนี่ยรูปร่างนามตามันเป็นยังไงเราเคยเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขเป็นยังไงเรากาลังแสวงหาสิ่งที่เลื่อนลอยชีวิตเราจะไร้สาระแล้วจะมีเป้าหมายที่เลื่อนลอยเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เป้าหมายที่ความสุขเรต้องการมันคืออะไรนะพ่อแม่รุ่นต่อรุ่นก็สอนให้ลูกเล่นเก่งๆนะลูกหาเงินะงเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุข พ่อครูเองกูรอไป40ปีวิ่งไปตามโลกนะเด้งเก่งๆหาเงินเยอะแล้วก็รวยจริงๆแต่พ่อครูหาความสุขไม่เจอมันไม่มีขายมันมีแต่ความสัใจความพึงพอใจซื้อความสุดกสบายเท่านั้นเองนะเหมือนสมมติว่าเราคินทุเรียนเรามีความสุข ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อทุเรียนให้เรากินนี่แล้วก็สุขโอ้มีความสุขก็เราพอใจพอเพื่อนแยกไปทุกเมีเรารู้สึกยังไงทุกทันทีเลยจะแยกงคนกันไปทํำไมกำลังพอใจอยู่ดีๆเห็นไหมมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความพอใจนะครับถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขสุขสุ ข, สขดิบๆบมันไม่ใช่สุขแท้อันนี้สําคัญมากที่พ่อครูเกิดให้ลูกๆเนี่ย ไปพิจารณาตัวเองเนะเมื่อเราเข้าใจของแท้แล้วเนี่ยเราจะเรียนอย่างมีความสุขจริงๆที่มันมีความสุขเพราะามันไม่ทุกข์เท่านั้นเองอันนี้ไม่อยากมาโรงเรียนถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับให้มาตื่นเช้ามาก็าไม่อยากมาเลยมันเหนื่อย <c oughs> มาโรงเรียนแบบทุกๆนะเพราะเราไม่พอใจนะถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วว่าเออเรามาเรียนทําไมนะแล้วก็ไอ้ความสุขจริงๆมันคืออะไร เราจะเรียนอย่างมีความสุขจริงๆเพราะว่าเราจะไม่ทุกข์กับการเรียนนะวิชาการยากง่ายก็สุขยากก็อ่านเรียนมากกว่าคนอื่นหน่อยเขาอ่านครั้งหนึ่งเราอ่านสองครั้งอ่านสาครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีความสุขกับการอ่านนะเราก็สุขสุขเพราะว่ามันไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะความสุขที่แท้จริงเพราะครูก็ตอบให้ได้ด้วยว่าความสุขที่แท้จริงเก็คือความไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระจิตไม่ติดบ่วงอะไรเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเห็นไหมอิสระมากนั่นแหละเขาเรียกว่าความไม่มีทุกข์ไม่รู้สึกทุกข์นั่นแหละคือความสุขจริงๆไม่ใช่ว่าได้ที่หนึ่งก่อนค่อยสุขรวยก่อนค่อยสุขอันนั้นเป็นสุขเทียงนะมันไม่จริงนะเราเราเร า, เรา เ, ราเราเป็นนักเรียนเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องเรียนอย่างมีความสุข ถ้าเรามีความสุขคุณครูพูดอะไรเพ้อเพลิดเรามีความสุขกับการฟังพูดมาร้อยเน่งรักเน่งร้อยเลยนะถ้าหดยินทุกเลยพูดพูดมาพูดฟังได้แค่สิบเในห้องเรียนหนึ่งสี่ห้าสิบคนทําไมที่หนึ่งคนเดียวเขาเก่งกว่าเราจริงเหรอนะลองคิดเรื่องนี้ไหมที่เ้าที่หนึ่งเขาเก่งกว่าเราจริงเหรอ ที่เขาที่หนึ่งนี่พอหลังเขาเรียกว่าเก่งนี่เขาเก่งเพราะอะไรนะส่วนมากเก่งเพราะเขาใส่ใจมากกว่าคนอื่นเขามีสมาธิตั้งมั่นทําในสิ่งที่เขาทำนะที่กรูก้อยสอนน้อยเวลาฟังก็มีสมาธิในการฟังเวลาคิดก็มีสมาธิในการคิดเอาคิดทําไมมีสมาธิหลายคนมีประสบการณ์นะบางทีคิดเรื่องต่อคิดเรื่องต่อเผือพูดไปคิดถึงเรื่องหออีก เออผูไปคิดถึงเรื่องงออีกทีนี้ไอความคิดเรื่องปอก์ขณคิดเรื่องดีดีเรื่องขอเรื่องกังวลนะคิดเรื่องงออีกกลัวนะอารมณ์ต่างๆมันมิกซมันสับสนวุ่นวายแล้วคิดสับสนคิดกังวลคิดห่วใจก็เลยกลายเป็นว่ายุ่งไปหมดเลยถ้าเราจะเป็นต้องคิดคิดเรื่องเดียวคิดให้มันแตกฐานเลยนะเออถ้าจะทาอะไรเนี่ยทเรื่องเดียวทีละเรื่อง แต่ตอนนี้เวลาเรากำลังทำงานอยู่นะลูกๆ ก, กำลังวาดรูปอยู่ใช่ไหมเราเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมากเราก็วาด 50% าล้วก็แบ่ง5 0าไปคิดว่าวาดเสร็จแล้วจะไปทำอะไรเพราะเราถ่วงอนาคตเห็นแล้วก็กังวลว่าอนาคตจะทำไม่สำเร็จอารมณ์กังวล น, นั้นมันกระทบเวลาที่เราวาดรูปวาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้เป็นอนาคตของวันนี้ พรุ่งนี้สีมันแห้งได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ 50% แต่ถ้าเราโทเทอรี่ก็คือตั้งใจวาดมีความสุขกับกรรมันกรรมันเห ไ, ไหมอคิดความคิดเกิดขึ้นมันแทรกเราไม่ได้เพราะเราไม่สนใจมันเห็นเสียงดังเราก็ได้ยินเสียงที่หูสัตว์แต่ว่าได้ยินไม่กระทบสิ่งที่เราทำเราก็ว่าดร0เนเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นสติก็ดื่อรู้ ไอปัญญาประสบการณ์เรามีอยู่ก็ไหลมาเทมาทําให้เนียบมากพรุ่งนี้สีมันแห้งเราได้ร้อยเปอร์เซบางครั้งพวกผู้ถือบอกว่ายาพวงอนาคตมากบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจว่าสอนที่นี่สอนให้เป็นอนาคตอนาคตมีอยู่แล้วอย่าห่วงพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตมีอยู่แล้วเรามีหน้าที่ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุด ชั่วโมงต่อไปก็เป็นนาคตคตชั่วโมงนี้อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันชั่วโมงนี้ทําอะไรเนี่ยตั้งใจทำตรง น, นั้นชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยผลของมันนี่ย่อมดีแ น, น่ๆนะทุกวันนี้เราไม่ใช่เราทําตรงนี้เราก็ไปทิศถึงนาคตนึกถึงอดีตใช่ไหมเอาอารมณ์มามากบเกลือเราเนี่ยทําให้มันส่งผลกับงานที่เราทํามันจะไม่ไน้อยเปอร์เ นะคนเราเรียนเก่งไม่เก่งอยู่ที่มีสมาธิตั้งมั่นแค่ไหนนะบางทีเราฟังไปด้วยแล้วก็คิดเรื่อยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้ือว่าพื้นูเปรกออกมาร้อยหนึ่งรับได้แค่ส0บเรอแต่คนที่เขารับได้ร้อยเปเซ็นี่ยเาถ้อเป็นที่หนึ่งเลยนะถ้าทุกคนตั้งใจนะที่หนึ่งทั้งห้องเลยนะ อยู่ในศูนย์พรอคูอยู่ในป่าลูพกพ่คูอยู่ตอนนั้นเน่สิบเ็ปีไม่มีไฟฟ้าลูกสาวพอคกกูเนี่ยพุ่มมาจากเมืองนอกกับลูกชายเนี่ยมาอยู่ป่าพวกคูสอนกอสอนนจุดตะเกียงสอนนะไม่มีวิชาการอะไรมากมายแต่เขาฝึกสีนสมาธิปัญญาเขาปฏิบัติฝึกจิตทุกวันนะพอจบมหกเนี่ยเขาไปเรียนต่อ ผู้หญิงปเรียนวิทยาลัยแม่ชีที่ปักสงชัยเรียนหนักมากทั้งทางโลกทางธรรมปฏิบัติทางทา ง, ง, ง, ง, ง, งานหนักมากนะลูกชายเป็นหลวงเดนเรียนที่นครปฐมลูกสาวของปู่ไปกป็เพื่อนเขาสามคนทุกคนสอบได้เกียรติยศระดับหนึ่งทั้งสามคนไม่ใช่เขาเรียนเก่งนะเพราะเขามี ศีลสมาธิปัญญาพราะครูไม่ได้สอนภาษาอังกฤษแม้แต่คำหนึ่งนะจนถึงม .6 เลยนะไม่สอนพวกครูเลือกให้เขาไปเป็นเกนเษตรกรไม่ต้อง ร, รู้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่พอเขาไปเรียนหมายวเวลาปุ๊บเนีเขาถูกบังคับให้เรียนเขาใช้เวลา4ปีเนี่ยนะเรียนภาษาอังกฤษเขาได้เกรดยงระดับหนึ่งเพราะเขามีศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีสามสิ่งนี้เนี่ย เราเรียนรู้วิชาไหนกรทั้งเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้เต็มเต็มถ้าเรามีศีลเนี่ยจิตปกศีลคือความปกติของจิตมันจะไม่วอกแวกนะมันจะมุ่ง ม, มั่นกับสิ่งที่มันทําแล้วมีสมาธิถ้ามันสติก็ตื่นรู้ในวิชานี้สําคัญมากแต่บางทีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เข้าใจนะลูกนะครูก้อยทาทําทแล้วคุณพ่อคุณแม่ถามเลยต้องตอบได้นะลูกอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราเอาแค่เรียนเรียนเรียนเรียนท่องจําตีสองตีสามก็ไม่หลับไม่นอนจํากันขึ้นสุขไม่พอเสาที่ก็าเป็นป่วยวิชาจําต่อเหมือนเป็นเด็กดีนะลูกแต่สุดท้ายเราเรียกหมดร่างกายเสื่อมเสื่อมโทรมเลยก็นนัถามว่ารเรียนมาทําไมนะตอนนี้เรายังเป็นเด็กๆยังแข็งแรงพอโตขึ้นพุ่งตังกายเรื่องออนแดเนี่ยตอนที่โรคไปใช้เก็บมันมาเยือนที่เรียนมาทั้งหมดหาเงนินมาตลอดชีวิตเนึ่ง เอามารักษาโรคเป็นเศรษฐีอยู่บนรถเข็นนะที่ผู้ก้อยคาเราเต้นเราเราปฏิบัติในตอนได้ทั้งกายได้ทั้งจิตได้ทั้งปรับสมดุลทางอารมณ์นะกายคิดจิตเฟืองอารมณ์ดีจมีมีสุขทำให้สมองปลอดโปร่งนะเอาความเครียดออกนะเหมือนเราโอเพ่นไมเมื่อเราเปิดจิตแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรเนี่ยนะมันได้รับได้เรยวขึ้น แต่ตอนนี้เนี่ยเื่องจากสังคมมันแข่งขันและเขาประเมินกันที่วิชาการวิชาการทราให้บัิเทิลูกถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยเนี่ยวิชาการเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะราาเรามีสมาธิเราก็ฝ่ายฝ่ายเรียนดูเดี๋ยวเราก็เก่งเองมันเป็นผลคอยได้แต่ลูกหลานจบมอหกแล้วเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเขาเรียนวิชาอย่างอื่น ตอนนี้เราเรียนมหนึ่งก็ท่องจำมหนึ่ง 1, ขึ้นมสองก็ท่องจำมสองไปถึงมสามมหนึ่งลือหมดแล้ววิชาการเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือในการใช้เป็นเป็นเทคนิคที่ประเมินว่าเราขยันไหมเรารับผิดชอบไหมอันนันพจนวิชาการมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันลูกถ้าเรามวลจะไปเรียนวิชาการชาตนี้ตายก่อนก่อนชีวิตจะสำเร็จแต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาสาตัวนี้แล้วเนี่ย มันเปลี่ยนรุ่นใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยเราเรียนรู้ได้เร็วนะตอนนี้ที่ศูนย์พระลานคอยเนื่องจากวันที่13ตุลาปีที่แล้วผ่านมานะพ่อหลวงของเรานะเรามีพ่อคนเดียวกันลูกนะเรามีพ่อแม่มันเกิดเ้าแต่ในแนง่ประเทศแล้วเนี่ยในประเทศเรามีพ่อหลวงคือในหลวงการที่9ของเราเนี่ยพระ อ, องค์ทรงสวรรคตนะเราเป็นคนไทยเราสูญเสียครั้งใหญ่ ก็พวกครูก็เลยมาสารต่อปณิธานพ่อโมก็คือว่ามาทำเศวกิจพอเพียงอยู่สุพรรณคอยโดยใช้ทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรนะครับซึ่งได้ยินว่าครูอ้อยให้กูก้อยเนี่ยก็ไม่ร้ายสมันนะยพาน้องๆเนี่ยไปดูงานเศวกิจพอเพียงที่หลังติดนาทาท้ำมอดธรรมดาดูด้วยนั่นคือเลิร์นนิ่งบายดูยิง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงไปคุกกี้กับของจริงอย่างที่สูนเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยพราอครูไม่เคยรู้เรื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกที่ไร้ดินปลูกกับน้ําแต่พ่อครูเป็นคนฝ่ายเรียนรู้เมื่อจําเป็นต้องทางพูดแก้วหาข้อมูลหาข้อมูลมาทั้งโลกเลยประเทศไหนเขาทาบ้างเอาไม้เขคปูดูเนื่องจากพ่อครูมีสีสมาธิปัญญาเนี่ยพาอครูก็ฉลาดว่าเออตัวนี้นี่เทคนิคมันตัวนี้ตัวนี้ดีอย่างนี้นี้ เราเอาของดีทั้งหมดทั้งโลกเองมาเป็นของเราเลยเยพราะกูสร้างปฏิมากรรมนึ่เดียวใครๆโอกาสไปดูนะลกูกอันแรกของโลกทัง้งนั้นเครื่องมือในการพาะปูอันแรกของโลกไม่เคยต้องคัอเป้เลยแต่เราก็รู้เข้าใจรู้จากเขาเของค์ความรู้ของแต่ละคนที่ทเขาทําเขาเปิดแล้วเนี่ยมาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ของเราไม่ใช่ไปแค่ท่องจําความรู้คนอื่นนะลูกแล้วลเป็นแค่นักเรียนแบบนักคัอเป้ไม่ใช่นักเรียนรู้ หลายโรงเรียนสอนนักเรียนเนี่ยให้ใช้รุ่นใหม่ก็ครูบอกว่าไ ล, าาล้สาระต้องสอนให้เด็กๆนี่สร้างรุ่นใหม่เราควรจะไปตามเขาในบ้านเมืองจะไปทันเขาได้อย่างไรนะเราต้องกล้าคิดนอกกรอบ น, นะก่อนจะสร้างรุ่นใหม่เราต้องมีข้อมูลเราต้องหาข้อมูลทวโลกที่เขาทาสําเร็จแล้วเนี่ยนะแล้วรู้จักมาปรับใช้ นะให้มันเป็นวิชาเราเราต้องสร้างรุ่นใหม่แล้วเราเองจะสำเร็จในชีวิตแล้วก็บ้านเมืองจะได้สำเร็จด้วยนี่แหละเพระครูเน้น เ, เรื่องนี้ว่าเนื่องจากพ่อหลวงเราเนี่ยพระ อ, องค์ทำงานหนักมากตลอดพระชนที่พระ อ, องค์เจดสิบปีที่ขึ้นคองลาดพระ อ, องค์ไม่ได้หยุดเลยนะพระ อ, องค์เป็นพระราชานะพระ อ, องค์ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ ไม่มีใครว่านะตำแหน่งพระองค์เนี่เสพสุขตลอดชีวิตแต่พระองค์ไม่กระทย่างนั้นพระองค์ทุ่มเททําไมถึงทุ่มเทพระคุลเลยเรื่องนี้ได้ยินเพลงนะเบอร์ทองไทยร้องเนี่ยนะพระองค์ทรงงานหนักเพราะอะไรเพราะพระองค์รักลวกเรามีเรื่องไหนบ้างในหลวงเราไม่รู้พระองค์ไม่รู้ก็ต้องรู้เพราะพระองค์รักลูกลูกพระองค์หลายคนลูกคนนี้ผลแล้ พระองค์ก็สร้างผลเถี่ยมให้ลูกคนนี้นะพวกพระองค์ก็สร้างแก้มลิ้มสร้างเขื่อนให้ลูกคนนี้ไม่ได้การศึกษาพระองค์ก็ส่งเสริมการศึกษาเปิดโรงเรียนให้ลูกคนนี้เจ็บป่วยพระองค์ก็มีแพทย์เคลื่อนที่และสมสมสารสารณสุขเพราะพระองค์เนี่ยเป็นพ่อหลวงคือพ่อของทุกคนไม่ใช่พ่อของคนใดคนหนึ่งเราเรียกพ่อหในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของพระองค์ ความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยคือสั ญ, ญลักษณ์ของคนดีนะสิ่งนี้เนี่ยทุกคนต้องฝึกฝังตัวเองให้รู้จักกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณถ้าในประเทศชาติเนี่ยเริ่มจากพ่อหลวงเรานะพ่อใหญ่ของเราพ่อทุกคนแล้วถอยมาถึงครอบครัวตัวเองทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ได้เกิดมา แล้วมาโรงเรียนเนี่ยมีพ่อครูแม่ครูนะนะครูบาอาจารย์มีบุญคุณกับเรานะเราก็ต้องสนองคุณเราก็มีเพื่อนนะเพื่อนบางทีเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราต่างคนต่างมีบุญคุณซึ่งกันและกันเราต้องรู้จักสนองคุณนะความกระตันโูกระาเวทีตาจิตเนี่ยมันคือสั ญ, ญลักษณ์ของคนดีบางแห่งสอนเป็นเด็กดีนะลูกเป็นเด็กดีนะลูกพ่อครูตามไปดูเี่ย พวกกูก็แอบดูว่าเขาจะทำอย่งไรให้ให้ลูกหลานเป็นคนดีอยา่างมากก็ไม่ทำชั่วเท่านั้นเองนะไม่ได้ทำดีอะไรเลยมันจะเป็นคนดีได้อย่างไรนะบางทีสอนลูกลูกเป็นเด็กดี้นะเด็กนี้คืออย่าทำชั่วเพื่อให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองแล้วมันจะดีได้อย่างไรไม่พาเขาทำความดีความดีคืออะไรแบบไหนมันถึงจะเรียกว่าดี การเห็นแก่ตัวนี่ดีไหมเอาเปรียบคนอื่นนี่ดีไหมเด่นเก่งๆแล้วไปดูถูกคนอื่นนี่ดีไหมเป็นแค่คนเก่งวิชาการเนีย่ยถึงเรียกว่าดีไม่ได้บางคนไม่ชั่วหรอกอันนี้ก็ลาเว้นนีก็ลาเว้นนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเล ย, เนยคนคนนี้เรียกว่าเป็นแค่คนไม่ชั่วเท่านั้นเองยังไม่ใช่คนดีคนดีต้องทางดีทางดีทำยังไงกคือให้ได้อภัยได้ ภาษาผิดบกกีฟแอนด์โอันนี้สาคัญ ม, มากนะท่านทานศาสนาเรียกว่าทานทุกศาสนาสอนให้ทำดีท่นดีคือการให้ให้ได้อภไรได้ด้านนันคือสัญลักษณ์ของคนดีนะบวกกับที่เรามีกั น, กนอยู่ไงเมื่อเขาดีกับเราเราต้องสนองคุณเขาสนองคุณคือให้ใหเขาไงเมื่อเขาเดือดร้อนก็ให้เขา นี่คือคนมีความกระตัปอยู่คือคนดีคนดีต้องทำดีทำดีคือการให้ทำดีไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทำชั่วเฉยๆนะท่านไม่ทำอะไรเล ย, เยอันนั้นเป็นแค่คนไม่ชัว่วแต่ยังไม่ใช่เป็นคนดีนะทีนี้การให้มีสามอย่างเพื่อนไม่มียางลบแล้วก็ให้เพื่อนอยืน อันนี้เรียกว่าให้วัดถูกทางเราไปวัดเราไปทําบุญสร้างวัดไปใส่บาตรพระนะเพราะพระภิกษุเนี่ยท่านไม่มีอาชีพหากินทํามาหากินน่ยท่านบวชเพื่อต้องศึกษาธรรมไฟสแสวงธรรมท่านไม่ต้องกังวลต้องทำมาหากินเราเป็นญาติโยมเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันสนหนึ่งไปทําบุญใส่บาตรให้ท่านอยู่ได้แล้วท่านจะมีเวลาศึกษาธรรมเมื่อเราไปวัด เราไปถวายทานก็คือว่าไปเลี้ยงพระพระท่านกลัวเป็นหนี้เราท่านก็ให้ธรรมทานเราเห็นไหมไปวัดที่ไม่มีใครเสียแล้วทุกคนได้ให้หนุกเราไปให้วัตถไุไปเลี้ยงไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเลี้ยงพักเสร็จแล้วให้ประเทศให้เราบ่าท่านให้ธรรมทานเราคือต่างคนต่างได้ให้ไม่มีใครเสียเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่า คนนึงให้วัดบูทานคนหนึงให้ทํา ม, มาทานอย่างเพื่อนเราเดือดร้อนบางทีคิดไม่ออกนะทุกข์มากจะฆ่าตัวตายนะมันคิดไม่ออกแบบตายอย่างเดียวเนะีเราก็ให้ข้อคิดเตินสติให้ตื่นตืนตืนนะยังมีความหวังอยู่เอาล่ะฉันจะช่วยเธอให้รำลังใจมันนี่เราให้ทํา ม, มาทานดูอันนี้ไม่ต้องเสียตัง นะเพื่อนกาลังปิดหวังข้อแท้เห็น ไ, ไหมเราให้กําลังใจเพื่อ น, นเราให้ทำมาทานโดยไม่ต้องเสียตังค์ชั่วว่าเราให้วัตถุทานได้สิเปซเพราะเรามีความโลภความปวดความหลงเนี่ยร้อยหนึ่งเราให้วัตถุทานบ่อยๆเราก็ได้เอาเอาตัวโลภวันตถีนี้ออกไปสิเรซเราก็เบาเหลืออยู่เก้าสิบเหแต่เราไม่ขี้เหนียวความรู้เรา ยุคนี้ให้ได้ไหมลูกบริษัทหนึ่งค้นคว้าวิจัยเทคนิคแล้วอุ้ยสําเร็จแล้วเขาให้ไหมเรื่องอะไรให้ไปจดนดิกิทธิเพราะมันขายเป็นเงินได้เขาให้ทํามทานไม่ได้เขาก็พลาดโอกาสในการทําความดีเพราะเขาขี้เหนียวแต่ถ้าเราให้ทํามทานได้เราไม่ขี้เหนียวความรู้เราได้ลดน้ําหนักความหนักอกหนักใจเราเนี่ยเข้าไปอีกสาสบอร์ซบวกกับสิวัตถุทานได้สี่สิบ ยังสองตกนะลูกยังไม่ถึงห้าสิบนะเพราะครูกําลังให้ธรร ม, มาทานมาที่นี่ให้ธรร ม, มาทานเดือนก็ขอบคุณครูก็ให้มากแล้วก็ลกูกหลานนักเรียนคุณครูด้วยที่เปิดโอกาสเสียสละเวลาอันมีคุณค่าของเราให้พรอครูได้ให้ธรร ม, มาทานพูดทีเดียวคนตั้งหกเก็บพันได้ยินหมดเห็นไหมธรร ม, มาทานมันได้มากกว่าวัตถุทานพูดทีเดียวเนี่ยเกิดประโยชน์วงกว้าง แต่ยังน้อยกว่าการให้อภัยทานครั้งเดียวให้คนเดียวสงสัยไหมเออแล้วโกรธเพื่อนวันนี้มาแค้ไมนมากแค่นี้ต้องทำละสิปียังไม่สายนะผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนย9สบวันอีกวันหนึ่งจะหมดเวลาคืนนั้นจะนอนหลับคิดถึงหน้ามันอีกวีขึ้นมาเลย จนนอนไม่หลับต่อวีซ่าไปอีกสิบปีคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็ทุกอยู่ตรงนั้นแหละเราคิดว่าเราฉลาดเหรอก็มันผิดไงเราถูกล้วเลือน อ, อะไรให้อภัยมันถ้าไม่มีคนผิดแล้วเราจะให้อภัยใครเหรออยู่ๆเพื่อเราตั้งเหว่งเฉยเราเดินมาเออฉันให้อภัยเธอนะเดี๋ยวเขาม ง, งวันนี้เขาเต๊กเลยนะเธอให้อภัยฉันทําไมก็เขาผิดไงเราจึงให้อภัยเขา ไม่ต้องเสียสตังนะไม่ต้องเสียอะไรเลยเขาไม่ได้อะไรจากเราเลยนะแต่เราได้ยกภูเขาออกจากอกเาบาสบายนอนหลับสบายถ้าไม่โยนมันทิ้งลูกไอ้ภูเขาลูกนี้ไม่ใช่สิบปีอย่างไม่สายมันต่อไปเรื่อยสิบปีสิบ ป, ป, ปีจนที่วันเราตายเราตายแล้วเอาไปเผาคิดว่าจบไหมทำไมท่านบอกอย่าค้ากําไรเกิดควร ร่างกายเราไปเผาลูกมันจะกลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินใครเคยไปงานศพบ้างพอเผาวันนี้พรุ่งนี้เขาก็เก็บกระดูกนะเป็นงานศพแล้วรับแต่เราเคยไปเก็บกระดูกไหมบาทีกลายเป็นเท่าหมดลูกถ้าตัวเราหายไปไหนเห็นไหมร่างกายเรากตายกลายกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นสู่ธาตุดินนะจิตวิญญาณเผาไม่ได้จิตที่มันบันทึกโปรแกรมว่าเราแค้นมาเนี่ยมันตามไปอยู่ เกิดชาติหน้าขึ้นมายกตัวอย่างไปเจอในกองไม่รู้จักกันเลยลูกถูกชะตามากเลยลากๆมันไปเจอในขอเนี่มันไส้โดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวิทยาศาสตร์ตอบสิมันคืออะไรมันเป็นโปรแกรมพยาบาทที่เราฝังลากลึกมาข้างพงข้างชาติอย่าแบกมันข้างไปการให้อภัยทานเนี่ยจึง เป็นกุศลอย่างยิ่งธรรมากุศลกับอกุศลเนี่ยถ้าอากุศลนี่เราแบกรับมีก้อนอิดใหญ่ๆเนี่ยไปไหนก็หนักอกหนักใจะมีถอนหายใจเฮ้ยเฮเฮยนอนก็ไม่หลับนี่นะอันนั้นคนโง่นะไปไหนแบกก้อนอิดไปด้วยแต่ถ้าเราให้อภัยทานมาแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปแับตัวเบานอนที่ไหนก็หลับนั่นแหละคนฉลาดนี่แหละคนดี คือคนให้ได้เอภาภัยได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองก่อสังคมไม่ใช่คนเก่งถ้าเก่งอย่างเดียวนะคนดีนะทำอะไรก็ดีคนเก่งทําอะไรก็เก่งทําชั่วก็เก่งทําชั่วก็เก่งนะลูกหลานยุคนี้ได้ยินคำว่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันเห็นไหมถ้าคนไม่ติดไม่เก่งความรู้แล้วเนี่ยเขาจะคอร์รัปชันเป็นไหมไม่เป็นหรอก นะคนมีความรู้เท่านี้เขาทำชั่นได้บังเกิดเขาไม่ดีไงเขาเอาความรู้เขาน่ไปโกสุดท้ายโกงคนอื่นไม่รู้เลยแต่จิตเขาบันทึกเต็มแล้วเนี่ยเขาหลอกจิตเขาไม่ได้นะเราเหมือนกันลูกไปรับหลัางคุณพ่อคุณแม่รับลัางคุณครูไปแอบทำอะไรทิดว่าคนอื่นไม่รู้เนี่ยไม่มีความลับในโลกนี้จิตเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้ว ที่บอกสวรรค์รู้รู้ได้ยังไงจิตที่เขาอยู่สวรรค์เนี่ยนะจิตเขาสูงกว่าเราเนี่ยอย่างตอนนี้ลูกหลานเคยใช้มือถือไหมเห็นไหมเราหูทิพนะเพื่อนอยู่เยอรมันเนี่ยเราฮัโหลโหลคุยกับรู้เลือกเห็นไหมเราตาทิพตันหากเขาแสดงละครอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยเราก็เห็นเห็นไหมเราขอได้เนีตอนนี้พู่เมื่อเช้านี่ออกมาจากกรุงมาดุงเกียรอยู่ชั่วมงหง นะเรามีดิษ์แต่ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่ทาให้เราค้นทุกมันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะจิตซึ่งเขามีบา ร, รมีมากกว่าเราเขารู้เลยว่าเราบันทึกยังไงเราเขาโมยทำอะไรนะคนอื่นไม่รู้จิตเรารู้ฟ้าเขารู้นี่คือกฎแห่งกรรมเรื่องนี้เรื่องจริงไม่ใช่สัญญาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาปฏิหารเพราะกูตอนอยู่อเมริกา พาะครูเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลกตั้งวงชัยคือ TWC แล้วก็อีกอยี่ห้อหนึงแทนคอมพิวเตอร์ขายดีมากไม่เคยเชื่อเรื่องเรื่องเวียนว่ายตายเกิดปาคุณผ่วชไม่เคยเชื่อหลังจากพ่อคูมาปฏิบัติจิตแล้วเนี่ยจิตมันทะลุ ม, มันระเบิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อคูถึงรู้ทั้งหมดเลยว่าเรื่องนี้มันมีจริงนะหรือใครไม่เชื่อเนี่ย สมว่าเราเราเคยทางคามชั่วเนี่ยที่ว่ามันลืมไหมคนอื่นไม่รู้แนตะ่ลึกๆเราก็กลัวเขาจับจับได้เนะี่ยเราทุกตลอดนะไม่มีประโยชน์นะเออบางศาสน า, าเขาจะใช้วันอาทิตย์เนี่ยนะเข้าไปโบสถเข้าไปสํานักแล้วก็ไปเป็นสารภาพบาปเนะีไปบอกบอบอกหมดเลยไงนะเพื่อเอาก้อนหินออกจากอกนะเมื่อเราทําผิดปุ๊บเนี่ยคนที่ทําผิดแล้วยอมรับสารภาพนะ่ยเป็นคนดีอย่างยิ่ง เป็นคนจริงอย่างยิ่งแต่ถ้าเราปกเกลือนมาอยู่ตรงนั้นเน่ยเราจะแบกก้อนอีกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตลอดชีวิตนะตายแล้วข้างโคกกข้างานนะชาติลูกอนาคตตชาติก็แบกกรรมตรงนี้ตามไปอนาคตนะเพราะคุณจึงแนะนําว่าถ้าเราเป็นคนขลาดอย่าไปแบกก้อนอีกเดินไปไหนเดินตัวเบาๆสมองปดโป่งเรียนรู้อะไรก็ก็ก็เร็วนะนี่แหละให้เข้าใจว่าเรียนข้อนหนักแล้ว ทำไมทางโรงเรียนยังให้ต้องมาเช็คแอนด์แดนส์อะไรพวกเนี้น ะ, นะเวลาเขาเต้นหรกเขาเต้นลําจังหวะอะไรก็ช่างเต้นอัลลีบเต้นอะไรเนี่ยมันต้องมีการฝึกนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็กลัวผิดกัวผิดจังหวะไงลึกๆมันก็เครียดอยู่นะไม่ใช่ใครๆก็ทําได้เราไม่เคยอิสระเลยต้องเรียนต้องฝึกแต่เช็คแอนด์แดนส์เนี่ยไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกทําเลยอิสระมากไม่มีสเต็ป ทุกคนทาได้เราเอาเรื่องจิตวิญญาณด้วยเห็นไหมชีวิตจิตใจอารมณ์เราก็ได้ผ่อนคลายช่วงสั้นๆวันหนึ่งทำรักสิบยสินาทีเนี่ยดูชีวิตเราจะดีขึ้นนะเด็กๆที่ศูนย์พารานอร่อยรองทางสมาชิกในศูนย์พาราน่อยในป่านั้นน่ะพวกเราขึ้งยาน้อยมากเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมากนะวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค วิธีป้องกันให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะาจิตสะอาร่างกายสะาสิ่งแวดลอ้อมนั่นแหละมันเป็นโรคเพราะว่ า, วาจิตรเราเพื่อนคิดมากกังวลมากความเครียดก็ เ, เกิดขึ้นความเครียดนี่เป็นที่มาของโรคภัไข้เจ็บต่างๆเหมือนถ้าใครมีรถจนในที่บ้านมีนะลูกคุณพ่อคุณแม่มีนา น, นานจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่จากรถย์เข้าปู เข้าไปทําไมลูกไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องไปล้างไส้กรองน้ำมันไส้กรองอากาศถ้าเราไม่ทําความสะอาดบ่อยๆนะมันเปื้อนมากมันจะจูดีน้ำมันเนี่ยมันจะสำลักนะมันสะสมลักเนี่ยแหวนลูกสูบอะไรทังหมดลูกร่างกายคนเราเหมือนกันถ้าปูนปูนการโรกธรรมชาตินี่เราอ่อนแอพอเราเสพสารพิษเข้าไปเนี่ยมันจะขับให้หมดเขาเรียกว่าสารตกคทางนั่นคือมะเร็ง อย่าประมาทนะลูกทุกวันนี้สมัยก่อนมะเร็งเป็นแต่คนแก่ตอนนี้เด็กๆก็เป็นเพราะอาหารที่เรากินทุกวันนี้ลูกโดยเฉพาะแม้กระทั่งผักนะอย่าคิดว่ากินผักก็ดีอย่างเดียวนะถ้าผักมันมีสารพิษเนี่ยมันก็ตกค้างยิ่งเหนื้อสัตว์ทุกวันนี้ก็ต้องระวังนะลูกเขาเลี้ยงแบบเอาสารเคมีไปเล่นมันนะบางทีเราป้องกันตัวนั้นไม่ได้เราต้องทําให้ตัวเองแข็งแรง ถ้าเราแข็งแรงพวกนี้เรากินอะไรผิดเข้าไปเนี่ยมันจะขับออกยตัว อ, อย่างตอนเที่ยงนี้ทุกคนทานข้าวไหม่ใช่ไหมเราใช้ควันเคี้ยวใช่ไหมลูกเราย่อยอาหารใช่ไหมเออแล้วก็น้ำลายเนี่ยก็ย่อยแป้งอย่างเนี่ยก็คืินลงไปกะเพราลําไส้ก็ย่อยเรามีโรงงานย่อยสลายอาหารลูกเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิ้งเรามีโรงงานขับกา ก, ากอาหาร ครับน้ำเสียเห็นไหมเรามีสมองคนมีคอมพิวเตอร์เห็นไหมเรามีเครื่องกำลงอากาศมีปอดทุกคนต้องเสียบปลั๊กไฟไหู้เห็นไหมทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยต้องชาร์จไฟไฟหมดตอนนี้ใช้มือถือบกเงินหมดก็โทรไม่ได้แต่เรามีกายภาพมีร่างกายที่มหัศจรรย์นเนี่ยเราไม่เคยดูแลมันเลยเร า, เาสารพิษเข้าไป เราให้มันคิดเดยอะเกินไปเห็นไหมเราไม่ดูแลมันเนี่ยอันนี้เป็นบาปนะลูกเพราะว่าเราไม่กตัญญูต่อร่างกายเราใช้เขาตลอดเวลาเลยมีแต่ใช้เหมือนรถยนต์เนี่เราใช้ใช้ใใครมีรถไซคก็ขี่ขี่ไม่เคยเช็คเครื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังอันนี้คือสัจธรรมนะวันนี้พ่อปู่จึงบอกเราว่าเราเรียนเพื่อชีวิตลูกจบไปทํา ง, งานก็เพื่อชีวิต ไม่ใช่เพื่ออนาคตรเราต้องมีชีวิตที่มีความสุขทุกวันความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีความทุกข์อยู่นะนะทุกคนมีมีหน้าที่เรียนก็เรียนอย่างมีความสุขนะก็พ่อครูให้กำลังใจวันนี้นะัวขนาดนี้ถ้าพูดมากกว่า น, นี้จะรับไม่ไหวนะลูกฟังหูไวหูอย่ากุ้งเชื่อพ่อครูกลับบ้านเอาไปคิดวิเคราะห์บ้างนะนั่นะแหละเราเรียนเพื่อชีวิต ทำงานเพื่อชีวิตไม่ใช่เอาชีวิตไปทุกข์กับมันเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะชีวิตเราก็จะเจอบางสุขทุกวันโอเคนะพวกครูก็ขอจบแค่นี้นะทุกคนจะได้ไปทาหน้าที่ต่ออ่ะคะ่น ะ, คะนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะคะและนักเรียนที่อยู่ห้องประชุมตรงนี้นะะั่หลังตรงเลยค่ะวันนี้เราได้รับความรู้นะคะแนะ ให้นันเนนออกเรียนนำเอาไปใช้ค่อยๆ ค, ค, คิดมีสติในการคิดเหมือนที่พครูสอนพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นการทำพิเศแอกแดนเป็นสิ่งที่สัปหรับนักเรียนการลินจิตเฟิร์อารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะคะนักเรียนทั้งหมดนั่งรังตรงนะคะครูเองเป็นตัวแทนของคณะนักเรียนแล้วก็ทุกท่านนะคะสำารับขอบพคุณนะคะคผู้บัญชาะะ ท, ที่มา